แนวทางข้อปฏิบัติเริ่มตั้งแต่การให้ทานมันก็เป็นข้อปฏิบัติอันหนึ่งผู้ใดขอนขวายในทานพอใจในการให้การบริจาคเป็นกิจจวัฒนนั่นท่านเรียกว่าทานนวัตข้อวัดเกี่ยวกับการให้เป็นให้ทาน การใน้ทานนี่มันก็เป็นเครื่องกําจัดความโลภความตณีออกจากใจเราจะไปเอาคาถาอาคมหรือว่าเอาอํานาจบาทยาใดๆในโลก น, นี้ยมากําจัดความโลภความตณีให้ออกไปจากจิตใจไม่ได้หรอกไม่มีเวทมนตร์กระถาใดๆ ไ, ไม่สามารถกําจัดได้ กำจัดได้แต่ทานนี่แหละกับปัญญากำจัดความโลภความตณีความพ้องเห็นอะไรต่ออะไรในโลกอันเนี้ยเนือนั้ น, นพุทธบริษัทผู้ที่เข้าใจเรื่องข้อปฏิบัติเหล่านี้ว่ามันเป็นเครื่องขัดเกลาขีเลสออกจากจิตใจแล้วก็จึงได้ ผนควายในทานการกุศลไปอยู่อย่างนั้นผู้เช่นนี้เรียกว่าไม่ได้ทำบุญให้ทานหวังเอาหน้าหรือหวังเอาราบสักการะต่างๆอย่างนั้นไม่มีผู้เข้าใจในทานอย่างว่านี้นะเราให้ทานเพื่อให้ เป็นประโยชน์แก่ตนทําให้กิเลสคือความโลภตณนนิมันเบาบางไปเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นผู้ที่ ร, รับพยธยานของเราไปเส็นข้าวนา้ำโภชนะอาหารเป็นต้นเหล่านี้ก็ทําให้ยังมีชีวิตสืบต่อไปได้ชั่วระยะหนึ่งนี่เดียวว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเครื่องผูก ม, มิตรในตรีจิตต่อกันเลยกันไปที่อนิสงส์แห่งการให้ที่เราเห็นได้ในปัจจุบันอย่างนี้เลี่ยนัานผู้ที่ไม่ได้พิจารณาเห็นอนิสงส์แห่งทานอยากดังกล่าวมานี้แล้วมันก็ตั้งความปรารถนาความคิดเห็นไว้ผิดๆไป มันก็ไม่เป็นทางกำจัดกิเลสปัญหาเรื่องมันนะไปตั้งใจ่ปผิดนี้ดังนั้นพุทธบริษัทควรศึกษาให้เข้าใจความหมายของการให้ทานให้มันได้เมื่อเข้าใจดีแล้วการให้การบริจาคของผู้นั้นก็มีผลมากมีอนิสงส์มากเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะ อันนั้นก็ยังไม่พอนั่นแหละข้อปฏิบัติที่พระศาสดาทรงแสดงไว้เป็นลําดับกันนั่นก็เพราะกิเลสมันมีอยู่สามกองเราจะไปละแต่กองเดียวกองที่สองที่สามไม่ละมันก็ไม่ได้เปละกองเดียวเท่านั้นกองอื่นมันมีอยู่มั่งก็ ไปทำลายความสุขความสบายของขิดใจอ้เดี๋ยวแล้วความทุกข์ทนทรมานไปอีกเหมือนกันเนี่ย น, นั้นเนี่ยดังที่เราเห็นกันอยู่บุคคลผู้มีแต่ให้วัตถุสิ่งของเป็นทานไม่มีอภัยทานไปนเบียดเบียนคนอื่นสัต์อื่นกรรมชั่วอันนั้นมันตามสนองเอา คนเกิดมาบางคนในโลกนี่มีอวัยวะบกพ่องพิกลพิการไปต่างๆนา น, นาเนือบางคนก็เกิดมาแล้วไม่ทันไรก็ตายแล้วอายุสั้นเหลือเกินมนี้มันเกิดจากกรรมเวรที่ตนไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนมาแต่ชาติก่อนหนหังกรรมเวรนี่มันตามมาสนองเอา นี่เราเห็นกันได้ชัดๆเลยนะอยากอยากเห็นแล้วก็ไปสู่สถานสงเคราะห์อของคนพิกลพิการต่างๆนั่นเถิดไปเข้าไปในนั้นแล้วเห็นหมดเลยคนพิการนาราพัฒนนั่นแสดงว่ากรรมคนเหล่านั้นมันทำกรรมชั่วมันเบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นมาพูดสั้นๆว่าไม่มีศีลมาจากชาติก่อนโน้ม สร้างกามสร้างเวรใส่ตัวเองแล้วไม่รู้ตัวเลยไม่คิดละคิดถอนมันทำไปจนตายนู่นกกรมเวรนั้นมันก็ไปตามสนองเอา <c oughs> เก็นอยู่อย่างนี้แหละชีวิตของผู้นานแนเนี่อด้วยกิเลสตัณหาอาวิชชาไม่ยอมพิจารณาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทำไปตามอำนาจของกิเลส สุดและส ก, กิเลตมันจูงให้ไปทำยังไงพูดอย่างไรก็ทำไปพูดไปอย่างนั้นเมื่อไปพังเผอไปทำชั่วพูดชั่วเขา้าไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ไม่คิดว่าเป็นความชั่วนะความหลงเขครอบงำแล้วก็ยึดเอาความชั่วนั้นไว้ในใจอพวกคนเราไม่รู้ี่ยไม่เห็นตัวเองความชั่วมันก็ยึดเอาความชั่วไว้ เมื่อยึดเอากรรมชั่วที่ตัวทำมาวันไว้แน่นอนแหละเมื่อตายไปสู่โลกหน้ากรรมชั่วนั้นมันก็นําไปตามไปสนองเอาถ้าผู้ใดรู้ตัวว่าตนได้ทําความชั่วมาแต่ก่อนอย่างนี้แล้วกําหนดใจละเว้นอธิษฐานใจละเว้นหรือมีเรื่องกล่าววาจาประกาศละเว้นลงไป เสียอย่างนี้แล้วต่อจากนั้นก็ไม่ทำกรรมชั่วอย่างนั้นต่อไปอีกนี่จะมาฝึกฝนจิตใจให้เตียมไปด้วยเมตตากรุณาธรรมอยู่ในใจเสมอเสมอนี่มันก็เว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้ถ้าทำได้อย่างนี้กรรมเก่าที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมันก็อาจหมดอายุมันลงไปในชาตินี้แหละ เพราะเราไม่ส่งเสริมมั น, นนะเมื่อเราไม่ส่งเสริมมันแล้วมันตั้งอยู่ไม่ได้เราภาวนาเข้าไปทุกวันทุกคืนตรงสังขารลงอย่าไปสําคัญว่าขันห่านี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขา อ, อย่าไปยึดมั่นไว้ซึ่งความโลภความโกรธความห้องเปียนพยายามขาจัดกิเลสต่า น, นี้ออกไปจากใจเรื่อยๆไป เา่นี้แล้วบาปไม่มีที่ตั้งเลยในใจของผู้นัน้นนะมีแต่บุญกุศลนั่นแหละบางเกิดเพือแทนบาปเพราว่ปบุญกับบาปนี่มันเหมือนกับฝ่ามือกับหลังมือหรือไม่เช่นนั้นก็เหมือนอย่างมืดกับสว่างนี่เองเนี่ยคราวใดถ้ากิเลสพุ่มหอ่อจิตใจใจก็มืดพลนนทการไปเทราวใดเพิกถอนกิเลสออกจากใจได้ แบบนี้ใจก็สว่างขึ้นมาเป็นอย่างนี้เลยใจก็สว่างไม่มัวหมองเหมือนแต่ก่อนปัญญาอันใดก็เกิดขึ้นเมานื่อจิตใจมันสว่างมันผ่องใสขึ้นมาแล้วดังนั้นเนี่ยข้อปฏิบัติเหล่านี้มันจึงเนื่องกั น, นท่อยที่ท้อยต่างก็สนับสนุนซึ่งกันและกัน โูรักษาศีลถ้าไม่มีภาวนาไม่พิจารณาเห็นโทษแห่งบาปกรรมความชั่วอย่างดังกล่าวมานั้นแล้วก็ผู้นั้นจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไปไม่ได้เลยเพราะไม่มองเห็นโทษแห่งความไม่มีศีลคนไม่มีศีลมันมีทุกไปโทษอย่างไรหนอไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาเลย เมื่อไม่ไม่ในพญานามก็ไม่เห็นโทษแห่งความไม่มีศีลนั้นมันก็ไม่ต้องการจะรักษาศีลคนเรานะเนี่ยมันเป็นงั้นเพราะมันขาดภาวนาขาดความตริตรองไตรครวนทุกสิ่งหนึ่งอย่างมันขึ้นอยู่กับการพิจารณาไตรกลวนนี่นะตริตรองให้ละเอียดถี่ถ้วนลงไปมันยังเห็นรากเหง้าของกิเลสบาปธ ร, รรมต่างๆ ที่มันพลังอยู่ในจิตใจของคนเราเนี่อาศัยปัญญานะ่ะเป็นกล้องส่องดูส่องเข้าไปในดวงจิตดวงใจอันนี้เนะั่นนี่แล้วก็จึงเห็นได้เห็นได้เออบาปนี่เป็นอย่างนี้จริงเราก็เห็นแจ้งเลยว่าเป็นบาปจริงอเช่นฆ่าสาัตว์อย่างนี้นะจะปฏิเสธว่าไม่เป็นบาปไม่ได้เลย แต่พวกไม่มีพัญญาแล้วมันก็เห็นไปทั่วแล้วเห็นว่าไม่ไม่เป็นบาปเพราะการทำมาหาเลี้งยงขีปทาให้อาศัยเนื้อสัตว์หล่านี้จะไปอาศัยอะไรมันกินกันมารื่องปูตายา่าโขดนุน่มมันก็อ้างอิงกันเลยอ้างเอาปูหญ้าตายายนุ่นมาบันนี้ก็เลยไม่มีที่จะรดละบากกรรมได้เลย พอมันเห็นผิดไปแล้วนี่แต่อ้างอิงเอาค น, นมาเป็นสักขีพยานคน น, นะในชะคนยังไม่ได้บรรลุมรรคผลํารมวิเสตที่เหลือยังขู่หอ่อจิตใจอยู่นี่เราจะไปถือเอาคนเหล่านั้นมาเป็นแบบสบับได้ยังไงนี่แหละต้องคิดให้ดีเราต้องถือเอาพระพุทธเจ้านะั้นมาเป็นแบบสบับ มันยึงจะไม่หลงทางไปมันจิงจะไม่เดินไปในทางผิดถ้าไปละเลยพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกของพระองค์แล้วไม่ไหวมแม้พระสงฆ์ก็เหมือนกันแลยไม่ใช่ว่าจะเห็นถูกเหมือนกันหมดพระสงฆ์ก็ดีพระสงฆ์บางรูปบางเราบางพวกก็เห็นผิดไปจากทำนองของธรรมก็มีอยู่อันนี้น แต่พระพุทธเจ้าแล้วนับว่าเต็มร้อยเปอเนเลยพระองค์เจ้าบริสุทธิ์พุตผ่องไม่มีทางจำหนิพระองค์ได้เลยดังนั้นเราจึงค่อยยึดเอาพระพุทธเจ้านั้นะเป็นแบบฉบับ ก, การดำรงชีวิตอยู่ตอนที่พระองค์เจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ คนอย่างครองเรือนออเอพระองค์ครองเรือนอยู่นั้นพระองค์ก็มีศีลห้าบริสุทธิ์ไม่ทําบาปทำมาหาดีอย่างครอบครัวไปในทางสุจริตไม่ทําบาปทํากรรมหาได้โดยทางบริสุทธิ์มาอย่างไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นไม่ถ้าเยาะเย้ยเกินกว่านั้นไปเพราะถ้าหาว่า ถ้าเยอทะายานเกินกว่านั้นไปไมันก็ไปทําบาปกันนี่เป็นอย่างนี้พระโพธิสัตว์ทั้งหลายเพื่อนยึดมั่นอยู่ในฐานในศีลห้าประการนี่นะเป็นแนวทางสั่งสมบุญกุศลบารมีธรมรมเดียวว่าศีลห้าประการนี่เป็นฐานที่ตั้งหรือเป็นฐานที่รองรับบุญกุศลความดีต่างๆเลยทีเดียวะ และแถมสินโวสดเข้าด้วยก็ยั่งมีกำลังมากเืออย่างนั้นยิ่งมีกำลังทำให้จิตใจนี่ขยันทำบุญกุศลให้สูงขึ้นไปได้เพราะบุคคลผู้มีใจข่งใสปาจะจากบาปอักกุศลเราสางแล้วนี่จิตนั่นมันย่อมโนงไปทางบุญทางกุศลนะ เรื่องอย่างนี้นี่มันต้องรู้ด้วยตนเองเลยใครปฏิบัติคนนั้นรู้ได้ให้เข้าใจถ้าว่าใจมัวหมองอยู่นี่มันไม่น้อมไปหรอกมันไม่น้อมไปทางบุญกุศลเลยมีแต่มันน้อมไปทางบาปอากุศลนั่นเลยลองสังเกตดูก็ได้แต่ละคนนะให้พากันสังเกตตัวเอง ว่าในขณะที่จิตเศร้ามองอยู่นั้นมันคิดไปอย่างไรอย่นนเนี่ยต้องสังเกตดูแน่นอนนะไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องรุ่งยากอะไรจะมาสังเกตจิตใจอย่างนั้นนะในเมื่อขณะที่ใจเศร้ามองอยู่แน่นอนมันต้องคิดไปในทางบาปแล้วในขณะที่ใจฟองใสยอยู่มันต้องน้อมคิดไปในทางบุญกุศลน้อมไปในทางเมตตากรุณา คิดเอเื้อเฟื้อเผือแพ่แก่ผู้อื่นและสัตว์อื่นจิตที่จะคิดเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไม่มีเลยไอ้ผู้ที่ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไม่ทําความทั่วเหล่านี้นะอย่าไปเข้าเจ้า เ, าเป็นคนชั้นต่ตําๆนะแม้จะครองเรือนอยู่ท่านก็ยกขึ้นว่าเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์เป็นคนชั้นสูง เพราะเป็นผู้มีคุณธรรมของบัณฑิตนักปราชญ์เป็นเครื่องอยู่ในใจต้องให้เข้าใจอย่าไปคิดว่าเรานี่มันตามต้อยเกิดอยู่วันนอกบ้านนาะไม่ได้เกิดอยู่ในที่สีวิลลยเหมือนอย่างคนอยู่ในเมืองในกรุงดังเลยสำคัญว่าคุณค่าของตัวเองนี่ไม่มาดอะไรเลย อย่างนี้นะาบอกเป็นความเข้าใจเพศอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละคนเราเมื่อมีอวัยวะร่างกายสมบูรณ์อย่างนี้แล้วจะเกิดอยู่ในตระกูลสูงหรือตระกูลต่ำมันสามารถทําความดีได้ทั้งนั้นเลยเรื่องตระกูลไม่เกี่ยวนั่นเองมันเกี่ยวกับความสามารถของแต่ละบุคคลต่างหากเมื่อบุคคลมีความสามารถแล้ว ทำความดีได้เลยอืบุคคลพวกมีความสามารถแล้วก็ย่อมละเว้นบาปอากุศลต่างๆได้นี่นะเมื่อละเว้นบาปได้มันก็ทําบุญได้จิตนี่มันจะไม่ว่างอยู่เลยเพราะมันว่างจาก บ, บาปมันก็นอกไปทางบุญอย่างที่ว่านั่นแหละ อ, อันนี้มันเป็นธรรมเนียมมาแต่ไหนแต่ไรเลยไม่เฉพาะแต่ยุคนี้สมัยนี้เท่านั้น ยุกก่อนทมไมก่อนหรือว่าในกัปก่อนที่ร่วงมาแล้วเหมือนพระพุทธเจ้าออมาอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกไม่รู้ว่ากี่พระองค์ร่วงแล้วมาเนะี่ยพระองค์ก็มาแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทละชั่วทำดีเหมือนกันกันกบในปัจจุบันนี้เองนะไม่แตกต่างอะไรกันเท่าไหร่หรอกเรื่องของเรื่องนะ การทำบุญทำทานอย่างนี้มันก็มีสืบต่อกันมาทุกกับทุกกันที่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกหรือพระปัจเจกบังเกิดขึ้นในโลกอย่างนี้นะมันก็มีคนทำบุญทำทานกับท่านผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเหล่านั้นโยเอ พระพุทธเจ้าทรงอุบัติบังเกิดขึ้นมาในโลกก็เพื่อมาสอนคนนะเอสอนคนให้ทําความดีต่างๆเพราะคนส่วนมากนะ่ะไม่รู้จักความดีทําอะไรเป็นความดีพูดอะไรเป็นความดีไม่ค่อยรู้จักเรียกว่าอยู่กันไปตามยถากรรมไปอย่างนั้นแหละถ้าไม่มีเรื่องที่จะจะทําชั่วก็ไม่ทํา แต่ถ้ามีเหตุที่จะให้ทําชั่วมาถึงเขาแล้วมันทําชั่วได้เนี่ยคนไม่มีเหตุไม่มีผลอยู่ในใจนะม่นไม่ทาความชั่วได้มันเป็นยังไงเนื่องจากไม่รู้นั่นเองแหละถ้าพวกใดมาบำเพ็ญข้อปฏิบัติสามประการนี่ให้ครบวงจรลงไปข้อปฏิบัติสุดท้ายก็เลยแก่การภาวนา นี่เมื่อฝึกใจให้ผ่องใสให้สงบระ ง, งับลงไปแล้วมันก็มองเห็นได้เลยแบบนี้นะมองเห็นความเป็นอยู่เนี่ยว่าอยู่อย่างไรถึงจะมีความสุขความสบายใจอยู่อย่างไรจึงไม่สบายใจจึงเป็นทุกข์เดือดร้อนมันก็รู้แล้วแบบนี้นะรู้วิถีทางของชีวิตนี้นั่นแหละเพราศ า, าสาทรงสอนให้ อ ย, ยนะอยู่อย่างชาวพุทธอย่างนี้นะอยู่อย่างชาวพุทธนั่นอยู่อย่างไรอ่ะอยู่โดยความรู้ความฉลาดในเหตุในผลเพราะว่าดีชั่วทั้งหลายนี่มันมีเหตุมีผลทั้งนั้นเลยนะไม่ใช่มันเกิดขึ้นมาลอยโดยไม่อาศัยเหตุปัจจัยอะไรนะอย่างนั้นไม่ใช่นะือะ ความโลภความโกรธความหลงเป็นมูลเหตุให้คนเราทำบาปทำต่างๆมีฆ่าสัตว์เป็นต้นความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นเหตุให้คนเรานั่นได้ทำบุญให้ทานได้รักษาสินห้าสินหวสดหรือว่าสินสิบสินสองรอยสิบเจ็ดของบรรชิตมนีนั่นแหละความไม่โกรธ มันก็เป็นเหตุให้คนเราได้รักษาศีลความไม่หลงเป็นเหตุให้คนเราได้จเจริญสมาธิภาวนาจเจริญปัญญาให้เกิดให้มีขึ้นในตนนี่มันกงกันข้ามนะกุศลกับอกุศลเหมือนฝ่ามือกขาหลังมืออย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนี่ยถ้าใจพลิกมาทางไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วมันก็มีแต่ทำความดีแนละ้ววันนี้นะ มีต่ให้ทานไปแล้วก็สำรวมระวังในมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เกิดร้อนล้ ว, วันนี้สติสัมปชัญญะอันใดมันก็ที่ท่วเข้ามาอยู่ที่กายที่ใจนี่มารู้สึกตัวอยู่เสมอเสมอว่าชีวิตของเราเป็นอยู่อย่างไรในขณะนี้มันเย็ดบั่นอะไรอยู่ มันเห็นผิดอย่างไรบ้างเห็นถูกอย่างไรบ้างเนี่ยมันมันรู้ตัวได้เมื่อผู้มีภาวนาทําใจสงบแล้วอ่านตัวเองออกได้ตัวเองเนี่ยกิเลสมันยังหนาอยู่เท่าไหร่ก็รู้ได้ส่วนใดที่ละไปแล้วก็รู้นี่คนภาวนาเน่ะมันมันรู้จักรู้เรื่องราวของกิเลสต่างๆที่มันหมักหมมอยู่ในจิตใจนี่ได้ ก็เมื่อมันไม่รู้นะมันจะไปละได้ยงไงกิเลสนั่นนะนั่นเนี่ยการที่มันละกิเลสได้ก็เพราะมันรู้นั่นเนี่ยมันรู้ว่ากิเลสนี่ควรละอย่างนี้นะถ้าไม่ละแล้วมันจะขอให้เกิดทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้อเออเช่นเนี้ยผู้ใดรู้เหตุผลของกิเลสอย่างว่านี่แล้วมันจะไปหล่อเลี้ยงกิเลสไว้ทาไมอ่ะนั่นเนี่ยมันก็เพียนละกันแหละ เหมือนอย่างนักปราชดแต่ก่อนมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านรู้เรื่องราวของกิเลสเห็นโทษของกิเลสดังนั้นพระองค์จนถึงกับสลัดราชสมบัติออกมาบวชนั่นเองถ้าอยู่ครองเรือนนั่นมันไม่มีโอกาสที่จะละกิเลสได้มันห้อมร้อมอยู่ด้วยกามคุณทั้งห้าออันเป็นสื่อให้เกิดความโลภโกรธหลงตานน่างนานาเหมื่เนี่ย พระองค์พิจารณาเห็นอย่างนี้ลจึงได้เสด็จหนีออกไปบวชทำตนเป็นคนผู้เดียวแสวงหาอยู่ในที่สงบสงัดเจริญสมาธิภาวนาอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นจริงแหละอันพระโพธิสัตว์นี่เมื่อพระองค์จะได้ตรัสรู้ในชาตินั้นแล้ว แสดงว่าพราะองค์ได้สร้างบารมีสามสิบประการนั้นมาเต็มในชาตินั่นแหละดังนั้นพระองค์ยิงไม่ได้ขวนขวายในการให้การบริจาคทานอะไรเลยถ้าพูดถึงว่าการให้ของพระโพธิสัตว์จเรียกว่าให้หมดทั้งโลกอันนี้เลยไม่เอาอะไรราชาสมบัติพัสทานอะไรต่ออะไรแม้ ถ้าเป็นพระเจ้าจาักรพรรดิราชอย่างนี้ก็สละเลยสมบัติของพระเจ้าจาักรพรรดิราชเจ็ดอย่างอันนั้นก็สละทิ้งไปเลยไปอย่างนั้นในเมื่อผูท้ที่สร้างบุญกุศลยังไม่เต็มบบนี้เมื่อสร้างบุญกุศลยังไม่เต็มแล้วมันก็ต้องอาศัยทานสินภาวนานเหล่านี้แหละ บำเพ็ญข้อปฏิบัติเหล่านี้เพื่อให้เกิดบุ ญ, บญเกิดกุศลเพิ่มเติมของเก่าไปเลยรื่อยนี่นะพอให้เข้าใจกันเมื่อใครรู้ว่าตนนั้นบุญบารมียังไม่เต็มเลยยังบกพร่องอยู่มากมายอย่างนี้นะนก็ต้องทําข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้ไปให้มันเต็มควาสามารถเลยโดยเฉพาะเรื่องภาวนาเนี่ย มันถ้าไม่ทำให้บุญกุศลเกิดขึ้นอย่างแรงกล้ามากทีเดียวนะเพราะบุคคลเมื่อมาทำใจให้สงบลงไปได้แล้วเช่นี้บุญกุศลมันก็เกิดขึ้นจากความสงบใจนั่นเองแต่บางคนอาจอาจจะไม่รู้ทํ้เลยไม่รู้ว่าบุญมันเกิดขึ้นในใจรู้แต่ว่าใจของตนสงบเท่านั้นเลง ผู้ดใดไม่รู้อย่างนั้นก็ไม่ค่อยดูดื่มอย่างว่ามาแล้วนั่นเอะถ้ารู้ว่าเมื่อใจสงบลงไปแล้วใจเบิกใจบานมีตีติเอิบอิ่มอยู่ในใจก็ น, นั้นแหละบุญมันเกิดขึ้นในใจเราก็ต้องรู้ไวอ๋อนี่บุญเกิดขึ้นในใจของเราแล้วอย่างนี้นะเมื่อบุญเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วจิตใจก็ยิ่งทองแพ้่พองไซ ยิ่งไม่ไเคยพยายานไปภายนอกเลยบันนี้มนุษย์อิ่มอยู่ด้วยบุญกุศลนั้นเพราะว่าบุญที่มันเกิดขึ้นในใจนั้นมันทําใจให้สงบมันไม่มีกังวลห่วงใยอะไรเลยนี่ลักษณะของบุญเมื่อมันเกิดขึ้นในใจมันทําให้ใจของคนเราโน้มไปในทางแห่งความสงบเอนี้ขอให้เข้าใจแล้วสังเกตดูตัวของเราทุกคนนะ เป็นไงจิตใจยังน้อมไปในทาง่างความสงบหรือไม่แน่นอนแหละสำหรับญาติโยมที่สนใจมาวัดมาว่าตามการตามเวลานี่น่ะก็แสดงว่าใจเป็นบุญกุศลเลยบุญกุศลอะโดนใจให้ชอบจักมาวัดวาอารามมาฝึกผลอรรมชนสืบต่อนี่เป็นองั้น ถ้าคนไม่มีบุญหนุนส่งแล้วไม่หรอกมันไม่สนใจอยากเข้าวัดเข้าวังเลยอ้างแต่การแจ้งงานเอค้านนู้นค้านี่ไปแล้วก็เล้วไปแล้ววันแลว้วคืนแลว้วปีแลว้วเดือนไปในที่สุดก็แก่ชราลงแล้วก็ตายเลยไม่ได้สั่งสมบุญกุศลอันสูงส่งว่าอย่างได้ทําบุญก็เพียงแค่กินกินทานทา น, ทานไปตามประเพณี เท่านั้นเองนะออคนส่วนมากเป็นอย่างนั้นเลยแต่ถ้าหากว่าผู้ใดสนใจเข้าวัดเข้ได้ฟังคําสอนของพระตุลาเจ้าบ่อยๆแบบนี้มันก็เกิดความรู้ความเห็นสูงขึ้นไปกว่านั้นแบบนี้นะอความเห็นที่ว่าถ้าหากว่าปล่อยจิตนี้ให้โลภให้โกรธอยู่อย่างนี้มันจะพ้นทุกข์ไม่ได้จริงๆอย่างนี้นะ นี่เรววาวามความเห็นมันสูงขึ้นแล้วเมื่อมันเห็นอย่างนี้มันก็จะเลี้ยงความโลภความโกรธไ้ทำไมมันก็เพียงกับดัดออกไปเรื่อยๆทำยังไงความโลภความโกรธมันจะเบาบางก็ทำลงไปอย่างนี้แหละโดยเฉพาะกรจเรญเมตตากรุณาให้มากๆอย่างว่านั้นแหละมันนี้ความโลภความโกรธมันจะเบาบางเลย มันจะไม่หนาขึ้นไปเรื่อยๆมีแต่แต่ลดเบาบางลงไปเรื่อยๆแต่ตอนที่มันจะถอนออกจากใจิตใจได้จริงๆมันถอนได้ด้วยปัญญาแบบนี้นะในขั้นต้นนี้ต้องถอนด้วยเมตตาธรรมกรุณาธรรมถอนด้วยหิริโอตตปะธรรมเ อ, อเมื่อหากว่าตนยังสะสมบาปกรรมอยู่นั่นก็กลัว่าบาปกรรมนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ ดังนั้นแหละถึงไม่ยอมให้บาปประทรรมนั้นมันหมดมักหมมอยู่ในจิตใจยังก็ภากเสียนพยายามเจริญภาวนาสมาธิทำให้จิตใจแน่วแน่แล้วก็เพ่งพิจารณาให้เห็นโทษแห่งบาปแห่งกรรมต่างๆอย่างว่านั่นแหละบาปกรรมทั้งหลายมันเกิดมาจากอุปาทานขันห้า เมื่อใจยึดขันหน้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนตแล้วมันก็สร้างความโลภ ค, ความโกรธความหลงขึ้นมาแล้ววันนี้อมันไปนอย่างนั้นดะ น, นั้นเราต้องภาวนาพยายามปองขันห้าวางขันห้าลงให้ได้อย่างนี้แล้วความโลภโกรธหลงมันก็เบาบางไปตามกันนี่ปัญญามันจะพยายามถอนรากแห่งกิเลสเหล่านี้ออกไปอย่างนี้นี่ใครก็ช่วยใครไม่ได้ ต่างคนต่างต้องทำความเพียรใครของเราให้เต็มความสามารถดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้